ตั้งใจทำความเปลี่ยนคือคล้ายๆกับเราลงไปจากบ้านนี่แหละลงไปจากบ้านวันนี้ก็ลงไปจากบ้านเวลาจะขึ้นมาบ้านเราก็ขึ้นทางบันไดนักภาวนานี่เขาจะต้องยึดหลักยึดวิธีทาง ของตนของตนไวให้ดีคือบันไดเนี่ยเป็นที่เป็นทางสาหรับขึ้นมาบนบ้านพวกเราก็มีพุทโธพุทโธพุทโธุทโธลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหล่านี้แหละบางที่ก็เขาสัมมาอรหังสมาอรหังบางที่ก็เอายุบหนอกองหนออันนั้นแหละคือบันไดที่สาหรับก้าวขึ้นมาบนบ้าน ตามที่จริงแล้วเราภาวนาเนี่ยฝึกหัดทำจิตใจให้สงบจิตใจสงบแล้วถอนออกมาแล้วก็เผ่นผ่านไปทั่วก็เหมือนกับเราพอออกจากบ้านก็ลงไปบันไดลงไปข้างล่างอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดผู้ที่มีบ้านก็สมควรจะกลับมาบ้านบ่อยๆ กลับมากลับมาพักมาพรอยู่ในบ้านอันนี้เป็นวิถีทางที่ดีของคนมีบ้านมีหลักมีแหลง่งเราก็เหมือนกันเน่เราฝึกจิตฝึกใจให้มีสถานที่พักสถานที่เป็นหลักเป็นแหลง่งเราฝึกสมาธิฝึกสติขึ้นปัญญาเราอย่าไปทิ้งบันไดเหมือนบ้านมันต้องมีบันไดเราอย่าไปทิ้ง เราเคยภาวนาได้ผลดีเนื่องจากอะไรตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละนันนั่นแหละเป็นเรื่องดีเป็นของดีเป็นสิ่งที่ถูกกัจจินตของเราแล้วพาให้เราลงสู่ความสงบจาจอย่าไปทิ้งเสียอันนั้นบางคนภาวนาเป็นแล้วเลยไม่เอาพุโทโธเลยไม่อารมณ์หายใจจะทําเมื่อไหร่ก็กําหนดจิตทันทีเลยเนะี่ยมันก็ได้หยื่หรอก แต่ว่าไปถึงสักทีหนึ่งแล้วมันจะหาไม่เจอมันจะหาไม่พบกำหนดไม่รู้จะกำหนดยังไงนั่นแหละนักภาวนาเขาไม่ทิ้งต้นนะเขาไม่ทิ้งต้นเขาจะต้องยึดถือเอาไว้เสมอเขาไม่ทิ้งเราก็ควรจะเหมือนกันอย่างนั้นเราที่ารนาดูความจำเป็นอย่างนี้ก็แล้วกัน ในโลกเนี่ยในอาคารต่างๆสมัยใหม่เนี่ยเขามีลิฟต์ลิฟต์สำหรับคนเข้าไปตรงนั้นแล้วก็กดสวิตซ์แล้วมันก็พาขึ้นไปชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนได้แต่ทําไมเขาจ ะ, จะต้องเอาบันไดไว้ทําไมเรื่องเจ้าอย่างนั้นเ่ะมีลิฟต์แล้วจะไปเอามันทําไมบันไดขึ้นลิฟต์มันลงลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์มันจะไม่ดีเลย นั่นแหละมันมีเหตุมีผลอย่างนั้นเหมือนเหมือนกันกับเราภาวนาเนี่ยมีบางครั้งลิฟต์มันตายลิฟต์มันเสียน่ะแล้วทํำยังไงเขานี้จะขึ้นทํำยังไงจะลงทํำยังไงจะลงก็กระโดดขลุ้งลงมาเล ย, เยหรือนะอะไรมัน ม, มันมีเหตุมีผลอย่างนั้นถ้าเราจะขึ้นไปเราจะทำยังไงที่จะขึ้นไปถ้าเอาบันไดออกเสียแล้วมีแต่ลิฟต์ลิฟต์มันตายขึ้นก็ขึ้นไม่ได้ กาไม่รู้จะทำยังไงอันนี้ต้องวนกันอย่างนั้นอ่ะถ้าเราวันหนึ่งเราจิตใจเพ่งพ่านไปแล้วแล้วจะพยายามหาวิธีทางเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความเป็นสมาธิถ้าหาไม่เจอแล้วมันจำเป็นจะต้องมาเริ่มโดยของดั้งเดิมของเรานี่แหละมาเริ่มที่ต้นมาเนี่แหละต้นก็คืออะไรคือพุโทโธพุโทโธพุทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่แหละ เพราะฉะนั้นอันนี้อย่าทิ้งนักภาวนาที่ดีเนะี่ยเขาไม่ทิ้งหรอกมเขาไม่ทิ้งตนและพวกเราเนี่ยประจงคิดว่ามีความจําเป็นอยู่เสมอเสมอที่เราจะต้องเข้าสู่ความสงบให้ทําเป็นเสมือนว่าคนที่เขามีบ้านมีช่องแล้วเขาก็กลับเข้ามาบ้านเขาทุกวนันทุกวนันออกไปข้างนอกอจะไปทําการทํางานแล้วจะไปเที่ยวเจริแล้วจะไปหัวหอกต้นเผ็ดที่ไหน หรือแม้กระทั่งไปบาดไปเจ็บกลับมาไปโศกเศร้าแล้วห้อยละเหียกลับมาไปเสีย อ, อกเสียใจกลับมาหรือทะเลาะเบกแบ้งกับใครกลับมากลับมาพักที่บ้านเช่นนั้นถึงคนไปโรงพยาบาลไปรักษาป่วยรักษาไข้พอสักหน่อยหมอเขาก็ให้กลับบ้านให้ไปพักผ่อนต่อที่บ้านมันจาเป็นจะต้องกลับมาบ้านนี่แหละเพราะฉะนั้นเราฝึก ฝึกในการที่จะขึ้นบันไดามาสูงบนในบ้านให้ชานาญไว้ให้ชนานาญไ ว, นนไว้และขึ้นบ่อยๆขึ้นบ้านบ่อยๆเข้าไปในบ้านบ่อยๆอันนี้เป็นเรื่องดีมากเพราะว่าในบ้านอันนี้น่ะมันเป็นที่สำหรับคุ้มกันภัยได้ดีที่สุดอย่างบ้านธรรมดาของเราทัางหลายเนี่ยบ้านบ้านก็ดีกุติก็ดี มันก็คุ้มแดดคุ้มฝนคุ้มลมคุมสัตว์ ร, ร้มันดีหลายอย่างคุมร้อนคุมหนาวได้ได้ประโยชน์มากทีเดียวจิตใจเราเนี่ยถ้าฝุกให้ดีแล้วสามารถขึ้นได้ดีกว่านั้นอีกเราเจ็บไข้เดรป่วยเจ็บอกเจ็บใจเสียอกเสียใจช้ำใจกลับเข้ามาในเนี่ย มาเพ่งอยู่ในเนี่ยในใจที่ฝุก ด, ดีแล้วเนี่ยหายหายเดือดร้อนทันทีเลยนี่มันดีอย่างนั้นนะใจเนี่ยบ้านธรรมดาเนี่ยเข้ามา เ, เจ็บไข้ได้ป่วยกลับมามาอยู่บ้านบางทีไม่หายนะบางทีพานตายเอปเลยด้วยมาตายคาบ้านเป็นอย่างนั้นแต่จิตใจเราจะปฝึก ด, ดีแล้วเนี่ยเฮ้จะเดือดร้อนลําเข็นอะไรมาจากข้างนอก เสียอกเสียใจมาจากข้างนอกอะไรต่างๆกระทบกระเทือนมาเข้ามาในนี้ถ้าเข้ามาถูกเข้ามาอยู่ถึงในบ้านแล้วคือถึงลมถึงความสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็หายหมดความเดือดร้อนก็าหายความเหน็ดความเหนื่อยใจก็าหายความเจ็บช้ำนำใจก็าหายเนี่ยมันดีดีเนี่ยเพราะฉะนั้นสร้างพออยายามสร้างสร้างความถนัด สร้างความคุ้นเคยสร้างความชำนิชํานาญในการที่จะขึ้นมาบนบ้านของตนเองที่จะเข้าไปอยู่ในบ้านของตนเองให้มันเชี่ยวชาญให้มันชํานาญอันนี้เป็นเรื่องดีที่สุดหลวงปู่ท่านพูดไว้จกว่าเป็นหลักของวัดหินมะเป้เราก็ได้ใครจะมาภาวนาจะมาปฏิบัติธรรมต่อให้ดีวิเศษแค่ไหนจะปเปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่เปลี่ยนเก้า หรืออะไรยิ่งกว่า น, นั้น่ะถ้าจะมาภาวนาแล้วท่านต้องให้ทําความสงบซะก่อนจะเรียนสูงแค่ไหนก็ ต, ตามผี่จะเรียนรู้จั ก, จก ช, 1, ช, 2, ช, 3, ช 4, ั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่อปนาสมาธิกุปัฌน า, าสมาธิอะไรรู้หมดแต่ท่านก็ต้องให้มาทําความสงบซะก่อนสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นู่นทิ้งไว้ก่อนมันเป็นชื่อของมันเฉยๆหรอกอันนั้น่ะเอาวางไว้ก่อนก็ได้ท่านให้เอาวางไว้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างวางไว้ก่อน รวมกระทั่งถึงความซื้อตนชือตัวตัวที่เคยเป็นเจ้าใหญ่นายโตเคยเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าเป็นนายเขาเคยเป็นผู้ร่ำผู้รวยเคยอยู่ดีกินดีสะลวกสบายไม่อยากจะทำอะเลยเลยพอมาถึงหลวงปู่ท่านจะต้องให้ทำความภาคความเพียรจะต้องให้เดินจงกรมจะต้องให้หนั่งสมาธิจะต้องฝึกให้จิตเป็นสมาธิให้ได้เสียก่อนถ้านี้แคนั้นแล้ว สิ่งดีๆที่ท่านจะสอนท่านท่านไม่สอนให้ท่านไม่สอนให้ถึงสอนให้ก็เอาไม่ได้อย่างที่ท่านเทศเนในทุกๆการเราจะเห็ น, นมันจะมีอุบายแยบคายต่างๆที่ท่านพูดมาอันนั่นหละคือท่านสอนแหละแต่จนแล้วจนรอดลูกศิษย์ลูกหาคือพวกเราเนี่ยก็เอาไม่ได้สักทีมันเพราะอันนี้ด้วยเพราะอันนี้ เป็นเหตุคือความสงบของเราเนี่ยมันยังไม่มีถึงมีมันก็มีนิดๆหน่อยๆมันไม่พอจะเป็นกระสายอย่างยาเนี่ยยาสมัยโบราณยามันจะเก่งแค่ไหนก็นตามสียาดีๆมากแต่ไม่มีกระสายยาคือเอาสิ่งประกอบเข้าไปน่นแล้วให้มันพา ย, ยาลงไปหาร่างกายถ้ามันไม่มีกระสายยาแล้วก็มันไม่ลงไปหรอกยังไงก็รักษาไม่หายนี่ยาโบราณก็เป็นอย่างนั้น อันนี้กมเหมือนกันอย่างนั้นความสงบเนี่ยมันเป็นกระสายยาชนิดหนึ่งของคุณธรรมต่างๆของปัญญาเพราะฉะนั้นท่านสอนอะไรต่างๆนั้นจึงจำเป็นจะต้องให้ลูกศิษย์มีสมาธิเสียก่อนสามารถจิตของตนเองลงสู่ความสงบได้จนเป็นจนเป็นและจนท่ำชองชำนานนั่นละ่ะ ท่านสอนอะไรสอนอะไรต่อจากนั้นแล้วมันจึงได้ผลได้ประโยชน์ครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็นเหมือนกันารเหลนอหลวงปู่มัน่นก่อนหลวงปู่มั่นมาอีกท่านก็สอนกันวิธีนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ถ้าจะเอาตัวจริงๆและตัวพระพุทธศาสนานจริงๆแล้วการจะสอนการ ส, ส่งมอบส่งต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจะต้องแบบนี้ทั้งนั้น่ะต้องโดวยวิธีการปฏิบัติ ปฏิบัติเอาเลยการสอนให้เกิดพระพุทธศาสนาจริงๆก็คือสอนให้ปฏิบัติกันเลยอันนี้คือวิธีการของพระพุทธศาสนาที่จะสอนไปส่งมอบส่งต่อหรือว่าจะถ่ายทอดวิชาถ่ายทอดตัวพระพุทธศาสนาจากยุคหนึ่งไปถึงยุคหนึ่งต้องโดยอาศัยการปฏิบัติส่วนการจะถ่ายทอดชื่อเรื่องราวเนี่ย เขาก็ถ่ายทอดเหมือนกันเขาถ่ายทอดโดยวิธีปริยัติไปเรียนเอาเรียนเอาได้นัดคำตีนัดคำโทนัดคมเหตุได้ปรียนเรียนันเรียนเยนก้ายอะแยเจนจบในชื่อของสิ่งต่างๆในชื่อของธรรมะในชื่อของคุณธรรมเจนจบมดแต่ตัวของพระพุทธศาสนาตัวของธรรมะต่างๆที่ตนเจนจบนั้นยังไม่มี ตราบใดที่ยังไม่มีก็คือยังไม่มีตัวพระพุทธศาสนานี่แหละเหตุผลมันมีอย่างนี้แหละเขาจึงต้องสอนให้มีการตัวพุทธปฏิบัติดังนั้นการสอนในภาคปฏิบัติกับการสอนในภาคที่เราเรียนเป็นทฤษฎีที่เรียนจากหนังสือนะ่มันจึงคนละอย่างกันถ้าจะพูดถึงว่าเข้าถึงตัวพระพุทธศาสนาแล้วแล้วก็จะต้องเข้าโดยวิธีการปฏิบัตินี่แหละไม่มีวิธีอื่น เพราะฉะนั้นเราหัดทำความสงบให้มันชำนาญหัดฝึกจิตใจของตอนเองให้ลุ่งสู่ความสงบให้มันได้อันนี้เป็นพื้นฐานถ้าเปรียบเทียบก็บเหมือนกระสา ย, ยาอย่างที่ว่านั่นแหละยาน้านี้แต่ว่าตรงมีกระสายมันสะกก่อนจึงจะไปกินด้วยกันแล้วมันจึงจะเป็นยาให้ต่อไปนี้คอนเทกตของหลวงปู่กันนั่งภาวนาตั้งอกตั้งใจกำหนดนะ โดยวิธีของตนเองเลยทำยังไงจิตลงสู่ความสงบดีจิตมันสงบลมเย็นดีนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละขนาดเดียวกันกับฟังเทศลุงปู่ปยาสง์จิตนี้ไปที่อืน่นเสีย